ปฏิบัติได้ดีแล้วพิพาวีมาได้เยอะแล้วก็ใช้ได้นะจิตใจก็ดีงามแต่บางทีไอ้จิตใจที่มันจอไปช่วยเหลือเขาจอบไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นเขาเนี่ยมันทําให้พลาดเหมือนกันไอ้ตัวเนี้ทําให้พลาดต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันใจเราความหวังดีไอ้ความหวังดีมันดีแต่หวังดีโดยไม่รู้ตัวขาดความรู้สึกตัวก็ก็กลายเป็นหลงได้ เข้าใจไหมเออเราเนี่ยปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ดีแล้วแล้วก็จิตใจก็ดีมีความหวังดีแต่ความหวังดีบางทีก็ไปทั้งกายวาจาใจไปทั้งตัวเลยแล้วสุดแล้วก็ลืมตัวก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวขาดสติอันหวังดีได้ทำอะไรก็ทำได้แต่ต้องมีความรู้สึกตัวเข้าใจไหมละ่ะ อ, อ๋ออยากถามอะไรไหมไปตามเนาะออ ชื่อุษราค่ะุษราต้อรู้ต้อทานจิตใจตนเองนะรู้ต้อทานจิตใจตัวเองให้มากๆมันคอยคิดลบคิดลบอืก็มีเรื่องบัณฑรอยู่เรื่อยคอยคิดลบไม่คิดบวกชอบคิดลบไม่คิดบวกไอ้ตัวเนี้ยมันลากเราลงตีนเขาพักหนึ่งรู้สึกตีพักหนึ่งมันก็แย่เออการู้ต้องทานรู้ต้อทานอย่าไปคิดลบคิดบวกอย่าคิดลบคิดลบลาก่างเราลงเขานะอยู่กันติดกันเนี่ย ช่วยกันดิยอยู่ติๆการช่วยกันเน่ยเพื่อนคิดลบด้วยเฮ้ยชอบเล่าเลยด้วยฟังเล่านี่ฟังอะไรที่มันไม่ไม่ดีอย่าไปเล่าอย่าไปพูดด้วยอย่างเงี้ยมันคิดลบชอบพูดลบเรื่องอะไรในโลกเนี่ยมันไม่ดีก็ไปเล่าไปพูดแล้มันมันทําให้ลำลาลาจิตใจเราขึ้นเขาดีๆตกเขาเฉยเลยเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะใจเรากําลังขึ้นเขาดีๆขึ้นเขาที่พ่านอยู่ดีๆตว่าก็ไหวตว่าก็ไหวดับบึ๊มไปเลยอ่ะชอบคิดลบไปวิบาววิจารณเอ้ยเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจโอ้เนี่ยเออ คืออับซรนนะคะสงสัยผมถามว่าไปปฏิบัติยังไงดีกันะอับซรค่ะอับซอนอับซอนอย่างเนกาะเกี่ยวพวพันเยอะเอ้ยวุ่นวายเป็นทุกข์ในโลก <c oughs> ยู่วุ่นวายคนนั้นคนนี้วุ่นวายยอะเยอะแล้วจะทํำยัยำยงไงคะถ้าให้ใหปล่อยวางได้กับคนละปล่อยวา ง, างได้มันก็ต้องพิจารณาเห็นจัตจะทําความจริงเห็นสมมุติ มันจม่เ่ววางได้ uh huh. สามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเนี่ยมันเป็นของสมมุติสมมุติอะไรล่ะก่อนมาเจอกันอ่ะตอนเกิดมาก็ยังไม่มียังไม่เจอกันมันเพิ่งมาเจอกันที่หลังตอนก่อนเกิดมาแล้วยิ่งก่อนเกิดมาอีกมันก็ไม่รู้เป็นใครเป็นใครมาจากไหนคนละทิศละทางเอาเกิดมาแล้วก็มาเจอกันไม่ใช่ว่ามันมาต้นจาตั้งแต่เกิด เกิดมาตอนหนุ่มเป็นสาวแล้วมาเจอการเจอกันแล้วก็มีลูกมีลูกมีหลานมาเพิ่งจะมามาเจอการจะเจอกันแล้วสุดท้ายก็พากจากกันไปเป็นของชั่วคราวแล้วก็พัดพาดจากกันไปไปเราก็ไปเป็นของคนอื่นของพ่อเก็ไปเป็นของคนอื่นต่อไปลูกหลานก็ไปเป็นลูกหลานคนอื่นต่อไปบางทีเราก็กลับไปเป็นลูกของเขาเขาก็เป็นลูกของเราสลับกันไปสลับกันมาในโลกมันเป็นอย่างนี้ไหหงหมุนวนกันไปสลับกันไปสลับกันมาเป็นผู้หญิ ง, บ, งบ้างผู้ชายบ้างผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างสลับกัน เพะเนี่ยก็หมุนวนอย่างเนี้ยทุกอย่างเป็นสมมุติมาเจอการแล้วก็จากกันไปพัดพาจากการตายไม่มีหรอกไม่ได้อะไรไปหรอกไม่ได้ผัวไม่ได้เมียไม่ได้ลูกไม่ได้หลานไม่ได้สรบัติประสานบ้านช่องไม่ได้ตัวเราไปหรอกสุดท้ายอ่ะเออสุดท้ายไม่ได้ตัวเราไปหรอกมีแต่กรรมดีและกรรมชั่วที่ติดจิตไปจะอื่นไม่ได้ไปหรอกรับการทับปานจะคืนกินเกียดกันทับจะตายแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้อะไรไปเลย ทุกอย่างบ้างเปล่าเป็นโมฆะหมดแหละตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็ไม่รู้ว่าไปเป็นอะไรไปเป็ น, ดดป น, นสัตว์เดินฉันเปรตเอสุรกายแตนนรกไปเป็นคนใหม่เป็นเทวดาแล้วก็ไปหาใหม่ไปเป็นใหม่แล้วก็เจอกันใหม่ไม่รู้จะเจอใครมันมีทั้งคู่บุญคู่บาปคู่ดีคู่ชั่วคู่กรรมอะไรที่ทํากันมาโอ้เยอะแยะไม่ใช่คนเดียวหรอกเราตั้งเเกต ด, ดูสิเราเดินไปข้านนมถนนบางทีก็ เ, เห็นเนี่ยสุนัขเนี่ยผสมพันธุ์กับตัวนู้นตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ก็วิ่งมาะสมพันธุ์กับตัวนู้น เราเรไปเกิดเป็นเศรษฐฉาไม่รู้ว่าสมพันธ์กี่ตั ว, กวไก่ในวัดเราอยู่ในวัดเาเห็นเด็กวิ่งกับปีตัวน้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้นนนอะไรเนี่ยโอ้ยมันจะไปหลงอะไรกับตัวไหนอ่ะไม่รู้ว่าตัวไหนที่เกิดมาในชาตินี้มาเจอกันอ่ะไอคนที่มันเคยทําร่วมบุญร่วมบาปร่วมกรรมดีหรือกรรมชั่วมาล่ะแต่มันเราเนี่ยไม่ได้พุทปฏิบัติมีชีวิตเราเราแต่เด็กมาไม่ได้พุทธปฏิบัติทำไม่ได้ละบาปที่ดีพูดดีทําดี รักษาใจตนเองไม่กิเลสตัณหาข้อค้องงำจิตใจจนเศร้าหมองเวลาเราเจอเราก็เจอคู่กรรมกันเพราะว่ามันมันได้ระดับเดียวกันแต่ถ้าเราเนี่ยพัฒนาตัวเราจนถึงขั้นสูงแล้วมันเจอมันก็เจอคู่บุญโอ้ยคู่บุญมันก็ได้บุญเท่ากันก็มาเจอกันโอ้ยคู่กรรมก็หลุดจากไปเพราะว่าตามไม่ทันเราแล้วแต่เนื่องจากว่าเราไม่พุทธปฏิบัติธรรมก็เลยตกไปหาเขาเราตกไปหาเขาเองนะไม่ใช่ว่าอะไรเราหล่นไปหาเขาเองเพราะว่าเราไม่ได้พุทธเกิดมาเราก็ไม่ได้พุทธปฏิบัติธรรม เราก็เลยหลดไปหาเขาเองชีวิตก็เลยทุกอย่างลําบากแสนสาหัสเสร็จ แ, แล้วเราก็ตกไปหาเขาเองแล้วอยู่กันก็อยู่กันก็ไม่ค่อยยืดมีแต่ความทุกข์ความทุกข์เออถ้าคู่บุญมันก็ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อยู่ด้วยกันมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเป็นคู่บุญบรารมีออกลูกมีลูกออกมาเป็นลูกบุญมาเกิดลูกบุญบรารมีมาจาก้าชั้นสูงมาเกิดเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเป็นเซียนเป็นเทวดาชั้นสูงมาเกิด ไปเจอ้ค sí, ู่กรรมมาเกิดมันก็ได้ลูกจากนรกมาเกิดพราะมันเจอกู่กรรมด้วยกันได้ลูกจากนรกมันพุทมันคือมันพ้นจากโทษในนรกแล้วมันก็เลยมาเกิดเป็นคนเพราะว่ามันหมดโทษที่ได้รับแล้วไงพอพ้นจากนรกก็เลื่อนขึ้นมาเป็นเป็ดเป็นเป็ดเป็นอสุรกายพ้จะเป็นอสุรกายก็เป็นสัตว์ใหญ่ฉันพราะมันรับโทษหมดแล้วมันรู้จะไปไหนก็มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนทักทีพวกนี้มันจะเป็นคนที่มาจากฝ่ายต่ำในพวกนี้ยไร้ทางนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วผลร้ายเพราะว่า มันพ้นโทษเหมือนกับวนที่ออกจากคุกตารางมาตอนที่ก็พยาโทษแล้วุดตายก็ต้องเนี่ยเป็นพวกอาสารูดีเส้นหมายกลับคืนก็ะปคืนเยอะแยะเออเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันพ้นจากนรกมาเกิดแล้วดตายก็กลับกลอบหมดเนี่ยเพราะวันทำ ก, กรรมชั่วเกิดมากรลัดีทําไม่เป็นตัวนี้พวกที่ทำกรรมดีบาปกรรมชั่วมันก็คอยละไปละไปละไปใครสอนปุ๊บมันรีบทําเลยรีบปฏิบัติตามก็ดีพูดดีทดําดีบาปกรรมชั่วไม่ทํา พยายามเพียรรักษาจิตใจของตัวเองให้มันตัดสัจกิเลสเครื่องเศร้าหมองว่าผมทับจิตใจให้เป็นทุกข์มันก็เพียรจนสึงความสามารถของมนันกำลังไอคนนี้มันมีบุญวาสนาบารมีมาเกิดเพราะอะไรก็เพราะว่าเราประพฤติปฏิบัติ ด, ดีมาเลยได้กู้คู่บุญดีเพื่อพ่อแม่เป็นบุญทั้งคู่ลูกที่เป็นบาปมาเกิดมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่เท่ากันท้องมันผิดการมาสะอาดรองรับต่างกันไอกู้กรรมจะมาเกิดมันก็เกิดไม่ได้ก็ เ, เห็นผัวเมียกู้นึ่งอะ เป็นหนุ่มเป็นสาวมีมีเป็นเป็นผู้รักษาหนุ่มสาวได้เป็นผู้รักาทั้งคู่แต่งงานกันยังไม่มีลูกไปกลับเจดีอยู่ข้างทางขับรถไปต่างจังหวัดกลับมาแวะข้างทางกลับเจดีขอลูกขอลูกจากเจดีมาปรากฏว่ากลับมาทึกสารเอา้าผีห่าซาตานเข้าท้องมาในว่าเนี้เออทาไมเป็นอย่างนี้อ่ะไปขออะไรมาเนี่ยไปขอลูกข้างทางมาซะแล้วไปสวมดมนต์ไหว้พระภาวานาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธให้ถี่ยิบทั้งหัวทั้งเมียเลยเดี๋ยวเห้อ ถอันนี้มันเกิดมาแล้วมันเหยียบหัวเราอ่ะพ่อแม่มีแต่น้ําตาล่วงน้าตาร่วงน้ําตาลเล็ดอ่ะมันผลานหมดนะไอ้พวกนี้ยเที่ยวกลางคืนเล่นการพ น, นันติดยาวเ ส, สพติดพ่อแม่มีแต่น้ําตาล่วงน้ําตาลเล็ดอ่ะไปเอาลูกที่เป็นปีหาตาตามาเข้าท้องเสรแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องคนไม่รู้ทําแบบนี้เยอะไปเป็นเล่งสวดมนต์ไหว้พระมาพุทธปฏิบัติธรรมฝึกศีลบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทัทท้งคืนเนี่ย ต้อคืนต้องวันน่ยไม่ช้าเด็กก็แทงไปเพราะว่าบารมีไม่เท่ากันเกือบไปอ่ะต่อมาพอทอมก็สะอาดแล้วทั้งคู่ก็เร่งไปพิสปฏิบัติธรรมเข้าเด็กที่มีบุญก็มาเกิดแทนเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่าหลายคู่เป็นอย่างเงี้ยที่สวดแล้วก็หลุดออกไปบอกเอออีกคนก็ร้องไงเพราะลูกตายแทงออกไปบอกโอ้แท้นี่มันเกิดได้เองอะไรแย่เลยนะมันเหยียบหัวเองเลยอดีนะมันตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหยียบหัวเองเพราะฉะคนที่เป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียกันมันมีกรรมมีเหตุนี่เราไม่รู้ มันมีอยู่มีกรรมติดมาบาปกรรมเนี่ยมันติดมาตั้งแต่อยู่ในข้าวท้องมาแล้วติดมันจะเป็นผัวเป็นเมียมาติดกันมาอย่างเงี้ยเออแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้เราเราไปจับเอาจริงๆอ่ะเดี็วชายก็บอกว่าเดี๋ยวจะเจอคู่กรรมนะเดี๋ยววันนี้วันนี้จะเจอคู่กรรมหรือวันนู้วันเนี้ยจะเจอคู่กรรมจะไปเอานะคนที่ผู้ลูกก็เขาบอกไว้พอถึงเวลาไปคว้าจับปั๊บเลยหนูรักเขาแล้วอะไยังก็เสร็จไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเจอคู่บุญ พอทิ้งคนนี้ไปได้จริงๆหน่อจะเจอคู่บุญอ้าวพอคู่บุญบาไม่ได้กินแล้วเพราะว่าอันนี้มีคู่ครองไปแล้วเนี่และมันก็เป็นแบบนี้อ่ะชีวิตมันไม่รู้อะไรอ่ะนี่เขาเรียกว่าอาวิชาคือไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวไม่รู้อะไรเป็นเป็นบุญเป็นบาปเป็นกรรมดีกรรมชั่วเป็นเหตุเป็นผลไม่รู้อะไรสักอย่างเนี่ยมันคืออาวิชาเนี่ยมันเลยทุกอย่างลําบากพราะอาวิชาอีกก็คือผมมามีเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็ยึดกันอยู่นี่นี่ อ้ที่เวเราไปบอกว่าไอ้คนนั้นเป็นผัวเป็นเมียกันอย่าไปเอาไปล่าอะไรเนี่ยมันไม่ได้บอกก้อเป็นผ้ามันเป็นผ้าไม่ได้เป็น้าถือว่าเป็นกรรมหนักเป็นสังขารพิเศษไปยุ่งกับเขาเป็นผัวเป็นเมียเขาไปยุ่งคู่ครองอะไรเขาไม่ได้ให้เขาเลือกเป็นสังขารพิเศษกรรมหนักก็อยู่กรดำั้นสมัยก่อนนู้นเป็นคารวะนั่นไอ้พวกเนี้ยเราไม่รู้แต่บางอี่ยคู่กรรมมันมาเกิดได้หรือว่าเจ้ากรรมในเวลนมาเกิดในขาท้องเราหรือไอ้พวกอะ พี่หาตาตานมาเกิดเราก็ยึดมารับมันโอ้ยลุ่มหลงมันก็ทุกยากแสนเข็นลําบากลําบนแสนเข็น่ตัวเนี้ยมันไปคู่กรรมกันรู้ทําไงมาเกิดแล้วบางทีบางทีเอาอ่านข่าววก็เกลื่อนใจสมัยก่อนเนี้ยลูกพ่อว่าลูกไม่ได้ทันทีรู้จะทําไงลูกมึงก็เอาเพื่อนๆมาเสพยาเต็มไปหมดพ่อมันเครียดมากสังสมมั้งหรว่าปืนไปยิงยิงลูกตายยิงเพื่อนลูกตายตา ย, ตายหมดเลย เคียดจัดเนี่ยโอ้กรรมจริงๆนะเนี่ยมันยึดแล้วตัดใจและออกมาก็ยึดยึดผัวยึดเมียยึดลูกยึดหลานเนี่ยยึดพ่อแม่พี่น้องยึดจนทุกข์เนี่ยจนจิตดําปี๋จนจิตดําปี๋จนเครียดเวลาตายก็ไปนรกถ้าจจิตมีแังสีดําคําจนเครียดมันใส่เสื้อสีดํามาเนี่ยพวกเราใส่กันมาเนี่ยตัวนี้มันปัจจุบันนี่คือนรกแัดๆนะตายแล้วก็ต้องลงนรกแน่นอนเพราะจิตมันดํามันไม่สว่างสวัยมันทุกข์ อันเนี้ถ้ายึจะเป็นทุกข์มันนรกก็ง่ๆนะเออถ้าสว่างสวยเพราะะแบบมันก็ยังมีโอกาสว่านรกบ้างสว่างบ้างนรกว่างสว่างบ้างแล้วว่าอือจะตกแจ็คพอตตรงไหนวะเนี้ยใช่ตจะตายแจ็คพอตตรงไหนว่าดำบ้างขาวบ้างดำบ้างสว่างบ้างดำบ้างสว่างบ้างอันนี้มันยังไม่แน่นอนจะแจ็คพอตตรงไหนอตายเพิ่ไปตกไปสีดำแล้วก็ไปแล้วเออท่านดังพอไปไปตกไปตกสว่างเออพอรอดบ้างไปสว่า เดิ้ลแต่ถ้ามันไม่ติดอะไรเลยก็สว่างจ้าสว่างจ้าคือไปจนเหลืองสว่างสวยัยแล้วก็เป็นสีขาวสว่างสวยเจิดจ้ามือรดาประกายพึ่งนางนาเข้ามันก็เป็นสีทองคาประกายทั้งสว่างทั้งโลกกัธาตุเจิดจ้าเป็นทองคําเป็ น, น, ปนคำนนมินเป็นทองคํำนางนเข้ามไอคำมินทองคําก็หายไปเหลือแต่ความว่างเปล่าหาอะไรไม่เห็นเลยไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพรรณสถานใดๆไม่มีตัวตนหายไปยมประทูตก็หาไม่เจอนั่นแหละกับคือสูดธรรมชาติแล้วตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ ตายเราก็กลับคืนธรรมชาติไปในแนวพระเจ้าก็ตัดสรู้สิ่งที่เป็นธรรมชาติอันนี้ที่มันมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเพิมาลุกเอาที่หลังมันไม่อยู่แล้นธรรมชาติแต่ไม่แแต่ก็คนที่บีวัฒนธรรมบารมีอย่างพุธเจ้าก็มาเห็นได้เออมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติแบบนี้ก็มาสอนให้แบบเนี้ยให้เห็นจากหลุดพ้นจากเอาวิชาคือความโง่ที่ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวยึดไปหมดเนี่ยถ้าเรารูกก้เข้าใจในวิจิตรปฏิบัติยังไงก็วางปล่อ ว, วางซชเห็นว่ามันทุกอย่างเนี่ย ไมนมีเหตุมีบุญมีบาปมีกรรมดีมีกรมมกรมชัว่วเป็นกองสรุปกันมาแล้วก็ลุ่มหลงกันอยหัวปักหัวปัม๊มเออไม่ใช่ว่าให้เกียดกันใ ห, ให้ทิ้งกันกว้างกันอะไรไม่ใช่ก็อยู่ด้วยกันแต่ใจมันงคงไฟวางก็ไม่ช้าหรอกแต่ก็ต้องพัดพาจากการไปแล้วตาัวต่อไปเป็นของคนอื่นสู้เรารักษาใจของเราให้นิพพานเป็นพออย่างนี้ดีแล้วลุ่มหลง ม, ม, ม, มากๆกบตายอย่างเดียวเลยนะตายแล้วก็จมอย่างเดียวนะ่จมจมเวจี G อย่างเดียวตายอย่างเดียวเพลุ่มหลงกันจนดำปี่จิตดำปี เออมันก็ต้องให้มันรักษาใจเราเอออยู่ด้วยกันเนี่ยรักกันแต่รักกันเพื่อเพื่อปรารถนาให้ไ <Über> ด <iggles cricket> ้ด <martial> <skate> ีม oh <God> ีส <hombre> ุขค้นทุกข์ปรารถนาให้เธออยากได้ดีให้เธอเนี่ยพ้นทุกข์พ้นทุกข์ฉันก็ปรารถนาความค้นทุกข์อยู่ด้วยกันได้ความรักปรารถนาความค้นทุกข์อย่างเงี้ยหรือเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ฟังทำด้วยกันพากระบาพูทปฏิบัติทำด้วยกันมีอะไรก็ช่วยคุยคุยกันเออเราปรารถนาความพ้นทุกข์ด้วยกันโอ้ย่างนี้มันสุดยอดเป็นคู่บุญบารมีมากเลยแบบเนี้ยเออต่างคนต่าง แต่ถ้าต่างคนต่างมีจิตกิเลสนาตฏหาจามันก็ทุกกันตายอะไรแบบนี้ยอย่าทะเลาะกันเดี๋ยวก็อุ่นวายหึงหวงกันโอ้จะรับพัดจะทุกในโลกเห็นลหมเออมันเห็นแบบเนี้ยเห็นความจริงแบบเนี้ยชีวิตอะ่ะโอ้ยตอนหลังสุดท้ายใครจะเป็นยังไงใจเรานิพพานเป็นพอใครจะเป็นยังไงใจเรานิพพานเป็นพอยู่บคนปวดหัวมากอยู่กับคนบางคนที่ปวดหวัวไม่เอาดีกว่าใครเป็นไงังางใจเรานิพพานเป็นพอไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวไปวางไป เห็นว่าทุกคนะมีกรรมเป็นของของตนเราก็ได้แต่พูดไปสอนไปพูดไปสอนไปใครจะเอาไม่เอามาลูกเมียก็สอนไปคนอื่นก็สอนไปบอกไปเขาจะเอาไม่เอาเป็นเรื่องของบุญละบาปกรรมดีและกรรมชั่วที่เขาทํามาแล้วแต่ละคนไม่เท่ากันไม่มีใครจะไปมีอํานาจเหนือกรรมได้พุทธเจ้าก็ไม่มีอำนาจเหนือกรรมได้เพราะฉะนั้นแหะมันก็ได้แต่บอกแค่บอกก็สอนว่าจะไปทําผิดศีลห้านะคารวะแล้วก็คิดดีพูดดีทําดีเมตตาตนเมตตาผู้อื่นช่วยเหลือก็คุณผู้อื่นได้พนทุกแล้วก็เองก็อย่าเอากิดเบีตันหา เอาความทุกข์มาเป็นเผาไฟเผาใจอยู่ดีๆก็ไปคิดอะไรมันเศร้าหมองอยู่ๆนี้ก็คิดอะไรมันเศร้าหมองเช่นนั้นเนี่ยเรื่องคิดอะไรให้เศร้าหมองอยู่เรื่องจิตใจของตัวเองอ่ะมันสะอาดบริสุทธิ์แต่อยู่ๆแล้วก็ไปจิตใจไปคิดอะไรไปกาะเกี่ยวผัวพันธ์ไปคิดโน่นไปห่วงเขาไปคิดช่วยเขาคิดคิดแทนเขาโอ้ยจิตใจดํำฟิดปีเราเอาใจอ่ะไปรักษาอย่างอื่นหมดเลยแต่ไม่รักษาใจเอาใจไปรักษาผัวรักษาเมียรักษาลูกรักษาหลานรักษาสมบัติพุทถานรักษาเก้าอี้ไม่ให้ถูกใครเลือยเลือยเก้าอี้ แต่เราไม่รักษาสิ่งที่มีค่าที่จุดของเราคือใจเพราะใจมันคือเราเราคือใจนั่นแหละใจมันไปกับเราตลอดเวลาไปตลอดการเป็นอ น, นันตจักรวาลบรรลุนิพพานแล้วก็ทํำลายใจไม่ได้เพราะใจนั้นมันคืออมตะเป็นธาตุอมตะเป็นสุญญตาธาตุเป็นาธาตุาาาแห่งความว่างเปล่าตัว ต, วตวนน ม, ม่ีไม่มีใครทํำลายได้ไม่มีใครสามารถทํำลายใจได้เพราะใจนั้นมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นสุญญตาธาตุเป็นความวไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลย เป็นความว่างเปล่าเป็นอ ม, มตะตลอดกาลนิพพานังปรามังสุญญ์ยังนิพพานังปรามังสุญญ์สุญญ์ังนิพพานังปรมังสุ ข, ขงังใจแน่แนะมันสิ้ น, นยึดเ네นี่ยมันเป็นนิพพานเป็นความสุขไม่ใช่สุขเพราะความยึดแต่สุขเพราะความสิ้นทุกข์มันเลยเป็นอ ม, มตะตลอดกาลทั้งในปัจจุบันที่ยังไม่ตายและในอนาคตกา่างเป็นอย่างนั้นตลอดกาลไม่ต้องไม่ต้งเวียนว่ายตายเกิดให้ไปทุกข์อีกเกิดอีกก็ทุกข์อีกไม่เกิดในทุกข์แต่เราก็ใจอย่างเนี้ย รักษาใจให้ดีเยาใจไปรักษาอย่างอื่นพยายามเยาใจไปรักษาแฟนรักษาผัวรักษาเนี่รักษาทูกอย่างสุดท้ายใจดำปีไม่รักษาใจอย่างเดียวตอนที่ไอ้ใจเนี่ยมันมันเจ้าไปกับเราคือใจเนี่ยคือเราแต่เราเนี่ยเอาใจเราไปรักษาอย่างอื่นไม่รักษาใจใจเลยเสียหายย่อยยับดำปีหมดเลยคือใจมันดำไม่ได้ล่กจริงๆอ่ะเพราะมันมันเปความไม่มีตัวตนแต่เอาเราเอาความทุกข์มาปิดบังมาทั้งหมดเลยเหมือนหายปลาราเอามาบกมันไว้หมดเน่าไว้หมดเลย แต่ใจมันแท้แท้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยท่านกล่าวว่าเหมือนกับเราไปเอาเมฆฝนดำธรรมุนมาบังใจเราหมดเลยมันดําไม่หมดเลยแต่ใจแท้จริงเหมือนดวงอาทิตย์เหมือนดวงพระจันทร์เนี่ยไม่มีใครบังอะไรมันได้หรอกหรือใจมันเหมือนกับความว่างเปล่ามันธรรมชาติจักรวาลนี่แหละไม่มีใครไปทําลายมันได้แต่เอาเมฆมาบังมันคือเอาความกิเลสตัณหาเนี่ยกิเลสนาตัณหาจัดความเกาะเกี่ยวพัวพันหวงใหญรักใคร่ผูกพันคิด คิดช่วยเขาคิดคิดเต้นเขากังวลเขาห่วงคนนั้นจะเป็นคนนี้คนนี้คนนเราไม่ห่วงใจตัวเองแต่เอาลับเอาใจเราไปห่วงคนอื่นหมดสุดท้ายเอาเมฆดำธรรมุนมาบาังมันหมดเลยใจมันเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าที่อรหันต์สุทะตาวะองค์สุดท้ายถามพุตจ้า ว, ว่าใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเนี่ยรอยเท้าเนี่ยที่เหยียบไปในอากาศเนี่ยมีรอยเท้าไหมพุตตมะตรัส ว, ว่าไม่มีหรอก ลอยเท่าในอากาศเหยียบไปให้ตายเหยียบยังไงเดิเลยเท่าอากาศจะไม่มีใจค้นเนี่ยเปรียบเหมือนกับอากาศได้ไหะสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏตัวมาในใจเราเนี่ยไม่อาจจะทําลายใจได้แต่ใจเราเนี่ยเขาใจผิดเป็นอวิชาไปยึดตัวเองเพรามันใจมีตัวตนแล้วใจเราไปยึดนั่นยึดนี่ยึดนั่นยึดนี่จะเป็นทุกข์เศร้ามองไปแต่ถ้าที่เราคิดว่าใจวินตัวตนเนี่ยมันก็ปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งเอาใจเราไปยึดแต่ธรรมชาติของใจคือเหมือนกับทองฟ้าที่ว่างเปล่าเนี่ย มันมันปรุงแต่งไปยึดอะไรไม่ได้สิ่งที่ปรุงแต่งได้มันก็เหมือนกับรอยเท้าที่มันเหยียบในมัน่นนแต่เหยียบยังไงใจมันก็เป็นความว่างเปล่า